ใ จ, ใจิตใจคนอยู่วันนี้ใกล้คนโบราณคนเก่าคนแก่มื่ก่ไปคนละแบบเว้ยสนานั้นไม่เสื่อมเนี่ยเป็นแต่คนนเสื่อมจากศิลธรรมศาสนาอยู่คงที่แต่คนน่มันทำใจมันเสือเส่อมใจมันสามศาสนาน่ยยุกคงทนถาวร